بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة ا للمتقين و ل ا ل ع ذ ا ن إلا على الظالمين وصلوا و س ل م على أشرف الأولين والأخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين ا ل ب ن ا سان إلي ما جعلتم س ل ا وتجعل الحزن إذا شت سنا وسهلنا م أمور وتقبلنا من ا ن س ل ت สำหรับผู้คนเราคืออะไรว่อ้เรกันเป็นทนสหรับเสียอะร่านึกอีกว่าั่นคือทางนำทีจาทาที่จะให้เราไม่มีคกระจ่งกนีเรา ขาดแคนอะไรที่จะชีขาดในสิ่งที่ดีที่สุดกุรอ่านก็จะเป็นทางนำพอถามกัลึกไปอีกเวลากุรอ่านจะเป็นทางนำในเรื่องความคิดเรื่องจินตนาการในเรื่องอุดมคติมากน้อยแค่ไหน ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในสังคมมนุษย์มีคนจานวนไม่น้อยที่ยังเข้าใจว่าทางนำของอัลกุรอานนั้นนะยังไม่รอบครอบเท่าที่ควรเพราะในความคิดในอุดมคติของมนุษย์แต่ละอย่างเนี่ย เรายัางไม่ยอมที่จะให้คุรอ่านเข้ามาเข้ามาแก้ไขปรับปรุงบางคนถึงขนาดที่ยังไม่เชื่อด้วยซ้าว่าและทำไมคุรอ่านต้องเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีกลุ่มสุดโตงก็ลกลุ่มเซคกล่าที่เขา้าที่เข้ายืนชัดวศา ส, สนานี่ ไม่เกี่ยวกับเรื่องโลกอันนี้คือสุดโต่งที่สุดที่เขาไม่เห็นว่าคนอ่านจะมีทางนาในเรื่องของโลกบอกว่ามีทางนำเรื่องศาสนานี่โอเคไม่มีปัญหาทางนำในเรื่องลำบากเรื่องไได้แต่จะเป็นทางนำในเรื่องเศรษฐกิจทางนำในเรื่องสังคมในเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่ไม่ใช่ศาสนานี่เขายังยังไม่คิดไม่เข้าใจ นี่คือสุตรงนะถ้าจะมีคนที่ยินยอมแล้วบอกว่าคุรา น, นี่เป็นธรรมนูนหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยจะต้องให้คุรานเข้ามาปรับปรุงมามานำทางแต่พอลงข้อปฏิบัติอันเป็นอันเป็นอนุมูลอันเป็นอันเป็นเรื่องเล็กๆ และในใ น, ในชีวิตของแตล่ละคนเนี่ยเราก็จะสะดุดสะดุดใจที่ว่าคนบางคนเนี่ยคลิ้งศา ส, ะสะนานะคลิ้งศา ส, ะสะนาถึงขนาที่เรียกว่าคลั่งศา ส, ะสะนาเอาจริงเอาจังมากกับเรื่งองคําสั่งอนของอิสลามเรื่องที่มันเกี่ยวกับจรียธระเอนี เรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างสังคมดั้งเดิมซึ่งบางทีมันจะมีเงื่อนไขที่ทําให้คนสงสัยว่าแล้วจะปรับปรุงคุรานจะมาปรับปรุงทําไมอย่านี้นี่ศา ส, สนาอยู่แล้วเนี่ยมันเรื่องศาสนาคุรานจะมาจะมายุ่งอะไรกับเรื่องนี้เช่น เรื่องสร้างมสัสยิดบางพื้นที่นี่ไปสร้างมสัสยิดดิไม่มีเสาอาซานไม่มีโดมโอ้โหชาวบ้านนี่ถึงขนาดที่ไล่ like เลยนะใครจะมาสร้างมสัสยิดไม่มีโดมไม่มีเสาอาซานนี่จะสร้างโบสถ์จะสร้างวัดอจะสร้างมสัสยิดก็ต้องมีต้องมีโดมต้องมีเสาอาซานใครบอก ใครเป็นคนกำหนดนมสัสยิดต้องมสัสยิดเนี่ยต้องมีต้องมีมิมบัตต้องมีมินบัตบสูงอะยิ่งมสัสยิดอิงมสัสยิดหลังคาสูงแค่ไห น, นมินบัตก็ต้องสูงไปด้วยต้องมีมิหรอปมิหรอบนี่ก็คือตำแหน่งของอิห ม, ม่ามต้องมีแค่มิฮรอบป ก็บินบ้านมีบ้านเรานี่แล้วก่อนโน้นนะมัสสินแ่้ก่อนโน้นนะมัสสินโบราณโบราณน่ะนะเขาก็ต้องเป็นไม้สักเนี่ยเขาก็ใช่ก็ใช่ดิต่ก่อนโน้นน่ะประเทศไทยเนี่ยไม้อะไรที่มันจ่ไม้สักนี่เขาไม่ได้กว่าไม้แล้วเอะอะไรกัไม้สักปลาเก้กับไม้สักใช่ไหมเาอี้ก็ไม้สักโต๊ะก็ไม้สักโอ้หนี่นี่ัวนี่บางทีบ้านนงหลังเนี่ยเป็นไม้สักทั้งนั้นน่ะสักนีมันทนไ เฉ่าเรื่องเรื่องการสร้างนีส่สถาปัตยกรรมมันเปลี่ยนไปใช่ไหมแต่ไอเรื่องอะไรที่มันของโบราณโบราณนี่ยนะยังต้องเป็นไม้สักมินบัตอย่างเงี้ยสร้างอะไรมาสิดเป็นสิบล้านแล้วก็มินบัตมันเป็ น, มนไม้ธรรมดาอ้เสียชื่อต้องเป็นไม้สักไม่้สักไม่ใช่ธรรมดานะมิ็บัตมินบัตสามล้านอยน่างเงี้ย ทำไม่สักสาล้านก็บอกว่าสิหสิบล้านทำทำ ม, มิบัรธรรมดาได้ไหมไม่ได้เข้าใจเหตุผลบางคนบอกว่าเหตุผลเหตุผลของเขานี่ว่าดูสิโบสถ์วัดที่ไหนเขาสร้างอารังการก็ไม่สักทั้งนั้นนะบางทีนี่ก็เรื่องศิลปะอะไรเนี่ยเขาทุ่มเป็น เป็ร้อยล้านเนีย่ยว่าสิบล้านนะ่ะเป็นร้อยล้านมืสิทธิ์เรามืสิทธิ์ของตุหันนะ่ะเราจะเราจะสร้างขี่ขี้เหรงนี่นะ่ะอันนั้นเข้าใจเพราะมีเหตุผลแต่มันก็ย้อนกลับแล้วใครกําหนดลนะ่ะใครกําหนดแล้วว่ามืสิทธิ์จะต้องรู้หลามืสิทธิ์จะต้องแข่งขันกับโบสถ์กับวัดนะ่ะใครเป็นคนวางมาตรฐานตรงนี้เนี่ยให้ชาวบ้านได้ เชื่อเหลือเกินเรื่องยลองไปจัดงานสมมติ ว, ว่าชุมชนชุมชนหนึ่งไม่มีโรงพยาบาลไม่มีคลินิกไม่มีหมอมุสลิมไม่มีอะไรเลยนะลองนี่จัดงานสร้างโรงพยาบาลนะลองดูดิมีใครจะมางานนะแล้วลองจัดงานหารายได้สร้างพือสิทธนะิเห็นชัดเลยเนะห็นชัด เนี่ยความเข้าใจาที่มันเป็นวิธีชีวิตของเรามันนกั น, นเรื่งอรงรายละเอียดเรื่องรายละเอียดซึ่งเป็นวิถีชีวิตแล้วมันอยู่ในเงนื่อนไขสําคัญในชีวิตอย่างการศึกษาเรื่อง ร, รักษาพยาบาลเนี่มันไม่สําคัญสําคัญนี่การศึกษาเนี่ยสำคัญเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า ส, าสมัยท่านดมิโซโลซันมัสเซนเนี่ยเป็นศูนย์รวมทุกอย่างมีโรงพยาบาลเป็นศาลตุลาการเป็นมหาวิทยาลัยเป็น อสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในนั้นหมดแต่พออาณาจักรอิสลามนี่ขายายไปแล้วเนี่ยแล้วมุสลิมเนี่ยเขาไม่รายได้เนี่ยเขาสร้างเขาสร้างโรงพยาบาลใหญ่โตนู่นนะอายุเป็นพันปีนะเขาสร้างโรงพยาบาลตอนที่ประเทศยุโรปนี่ยังไม่มีโรงพยาบาลเลยคลินิกยังไม่มีเลยอาณาจักรอิสลามนี่มีมหาวิทยาลัยที่สอนทุกสาขาตั้งแต่หนึ่งศาสนาแพทย์เคมีอุศ ว, วะ ทุกอย่างในมีมีในมหาหลายัยตอนที่โยุโรปนี่เขายังไม่มีเลยอะไรยังไม่มีเลยพอเรามีงบประมาณเราก็ทุ่มทุกแผนกในวิถีชีวิตในเพราะอิสลามส่งเสริมหมดเลยลตอนนี้ดูดิแม้กระทั่งคนรวยในยเวลาเขาจะทำบุญนี่สร้างมสัสยิดเกิดเลยอาหรับนี่มาที่ไหนนี่อยากทำบุญจนะทำอะไร มีมาทำบนสร้างโรงพยาบาลนอนดูเดชเชนไมชันอรี่ที่มากันทั่วโลกนี่ไปที่ไหนนี่สร้างอะไรสร้างโรงพยาบาลสร้างมหาอะไรโบสถ์นี่เขาก็สร้างแต่โบสถ์นี่เขาไม่ได้สร้างแบบปาร์ารใหญ่โตหรูราแล้วดูมหาในนี่ระดับประเทศของขามีไม่มีหรอกโบสถ์รับประเทศเนี่ยหมายถึงว่าใครผ่านแล้วนะก็โอ้โห ก็ไม่มีหรอกมีโรงพยาบาลไะโรงพยาบาลระดับประเทศมหาเลยระดับประเทศเรานี่จะสร้างมัสยิดอะไรดูหูที่ต้องลังการจุเป็นหมื่นเป็นแสนคนเสาอาซาสูงที่สุดในทวีปโดมเสียงกล้องลัล่นถึงจะเอ่อถึงจะซแะโดมถึงจะซาอาไปหาดูโรงพยาบาลของมุสลิม มหาลัยสถาบันอุดมศึกษาของมุสลิมแทบไม่มีใครเป็นคนสร้างความเข้าใจว่าการบูรณมัสยิดเนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับเรื่องเรื่องก่อสร้างเรื่องวัตถุความเข้าใจใครเป็นคนสร้างความเข้าใจในมิติของครอบครัวว่าพ่อแม่เนี่ยหน้าที่ต้องดูแลลูก อันเนี่เป็นเป็นอุดมการเป็นอากีพได้เลยแต่ดูแลลูกเนี่ดูแลเรื่องเรื่องอาหารการกินแต่เรื่องศาสนาเนี่ยความรับผิดชอบที่พ่อแม่จะต้องมีต่อลูกเนี่ยอันนี้แทบเป็นเรื่องที่ต้องต้องสอนกันใหม่สอนกันใหม่อันนี้มันนึกภาพเรา พ่อไม่ไม่ให้นาฟากับกับครอบครัวให้แม่ทำกับข้าวเลี้ยงลูกซื้อเสื้อผ้าให้ลูกจ่ายค่าเทอมถ้าพ่อไม่ทำหนูเนี่ยอสังคมก็พานาเลี้ยดูแลไม่สูงเสียใช่ไแต่พ่อแม่ไม่สั่งสอนลูกให้ละหมาดมดูมันดูก็ไม่โอเคแต่แต่ดูมันมันจะกจีหน่อยมันไม่เคย ไม่เคยรุนแรงนะไม่เคยรุนแรงแต่พ่อไม่ไม่ใจ่ายค่าเทอมให้ลูกเลี้ยวอะไรพวกเลีวแต่พ่อไม่ได้สั่งลูกให้ละมานเออต้องทำมานะต้องทําราดูความรู้สึกเรื่องทําไมเรื่องวิถีชีวิตที่สังคมกําหนดเป็นเงื่อนไขอ่นะการศึกษาสําคัญนะการกินการอยู่นี่สำคัญนะมีบ้านมีมีช่อง มีโรงเรียนมีรายได้นี่เป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมเออต้องทำอาการที่ต้องระหมาดต่อครอบครัวต้องละหมาดสําคัญมปะสําคัญแต่กี่มากน้อยอ่ะครอบครัวที่ไม่สั่งสอนลูกให้ละหมาดเลยลูกเรียนอย่างดีกินอย่างดีแต่ไม่ละหมาดแล้วเขาไม่รู้สึกว่ามีมีปัญหาลูกสาวไม่คุมมีจากก็ก็ไม่รู้สึกว่ามันมันบกพร่องแค่ไหนก็ยังยังรู้สึก เรียงรู้สึกว่าเออมันยังไม่เป็นไม่สมบูรณ์แต่เรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นบาป ท, ที่ต้องสั่งสอนกันแค่ไหนฉะนั้นถ้าเราได้มาตรวจสอบบทบาทหน้าที่ของคุฎอาา่านดาวเทียมผู้บว่าคุฎอา่านวิถีวินทางนําในการ<ม>ที่จะสอนเราเรื่องศาสนาอย่างเดียวแม้แม้จะทั้งความคิดเห็นร่วมสมัย ภาคส่วนในสังคมมิติในสังคมที่มันไม่ใช่อิสลามมันต้องมีมันต้องมีกรอบที่คุรอ่านได้วางไว้สองอายาวันนี้นี่ที่เราจะพยายามอธิบายให้หมดนะครับมันก็พูดถึงประเด็ดนนี้แต่มันย้อนหลังไปช่วงอดีตในสมัยข้าบสมุทรอาหรับที่เขายัาง ใช้วิถีชีวิตของเขาเนี่ยแบบอยู่กันแบบระบบเผ่าระบบเผ่าระบบเผ่านี่อิทธิพลอยู่ที่เผ่าหัวหน้าเผ่าเผ่าสองเผ่าในข้าบส ม, มุทรอาหรับก่อนก่อนยุคอิสลามนะก่อนที่ท่านในมีสซาลลอห์เลยซัลลัมจ ำ, จ, ำจะมาเทศนานี้ก่อนประมาณเกือบร้อยปี ได้ทําสงครามกันสองเผานะทำสงครามสี่สบปีชื่อสงครามเนี่ฮารบุร์เบซสฮารบสงครามบซสเบูสดังมากนะสงครามนี่อันนับทุกคนนี้นี่เขาอย่งเบซูสนี่เป็นชื่ออูดชื่ออูดตัวเมียทําไมชื่อสงครามนี่ชื่อชื่ออูดก็เพราะสองเผ่านี้ กูลนุ่นก็เป็นญาติพี่น้องกัต่ะกูนุ่นอาหรับนีที่จริงนะต้นตระกูลอาหรับนี่ก็ต้นตระกูลเดียวนะแต่สองเผ่านี้เป็นญาติพี่น้องกันก็จริงแต่เขก็เอกเทศกันแล้วเป็นเผ่าเอกเทศกันแล้วนะสองตระกูลใหญ่เขาจัดแข่งอูดที่เอื่นเขาแข่งม้ากันนะนะแข่งม้ากันบ้านเราก็แข่งไก่มีแข่งไก่แข่งวัว ที่มีอู่แล้วก็แข่งอูีเผ่านี้เขาก็ส่งอู่ที่จะสมัครแข่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเป็นผู้หญิงที่มีฐานะชื่อเสียงแล้วก็มีอู่ส่งอู่แล้วหัวหน้าเผ่าเนี้เขาก็มีอู่ตัวหนึ่งเข้าในในในเกมแข่งแล้วพอแข่งกันแล้วเนี่ยปรากฏว่า อูดของผู้หญิงคนเนี่ยที่มีฐานะเนี่ยชนะแล้วอูดของหัวหน้าเผ่านี้คนละเผาะแผลไอหัวหน้าเผ่าคนนี้เนี่ยก็เลยของขึ้นก็เลยชัก ด, ดาบอ่ะนะชัก ด, ดาบไปเชื่อดอูดของอีแมทนี่ฆ่าอูดนะแต่อูดประกอบรุ่นะอูดอูดนี่เป็นทรัพย์สินสําคัญของอระดับเลยนะ เท่ากับคนมีรถเบนซ์โอเช่ีเอ็มอะไรแบบนี้ถ้ามีคนเอากุญแจมาขูดเจ้าของสรืงไงของขึ้นเลยนะนี่เขาชัก ด, ดาบข่าอูดเลยนะเชื่ออูดเลยอีแม่นี่เจ้าของอูดนี่นะก็เลยตะโกนเรียกร้องความส่วเหลยอว่าอูดฉันนทุกใครจะมาแก้แค้นกคาเป็นเรื่องแก้แค้น หลานก็มีหลานคนหนึ่งอ่ะอีแผ่เนี่ยมีหลานคนหนึงอ่อะเป็นหัวหน้าเผ่าของเผ่านี่เผ่าของเธอนี่ยเขาก็เลยชักดาบอ่าชักดาบก็บไปฆ่าอูดของของหัวหน้าเผ่านี่นะไม่ชักดาบนี่ไปฆ่าหัวหน้าเผ่าซะเลยงั้ยเกิดสงครามสี่สิบปีรบกันไปรบกันมารบกันไปรบกันมา สี่สบปีลองคิดดูดิวัยรุ่นเยาวชนในเผ่านี้วัยรุ่นเยาวชนในเผ่านี้ที่เป็นผู้ชายะนะก็จะต้องชักอาวุธกันชักดาบกันฆ่ากันเพื่อแก้แค้นศักดิ์ศรีของใครหูเ ผ, ผ่าอันที่จริงเริ่มต้นของสงครามเนี่ยเราเรียกได้ว่าศักดิ์ศรีของอู่ จึถ ง, งถูกเรียกสงครั้งเรียกฮารบุลบสซูสชื่ออูดเนี่ยนี่ผมแค่ยกตัวอย่างตัวอย่างเดียวนะให้เห็นดูดิความมั่นคงของขอ ง, งมนุษย์เนี่ยขึ้นอยู่กับศักดิ์ศรีของเผ่าเผ่าหนึง่งที่แพ้การแข่งขันอุดดูดิมันตกต่ำขนาดไหนสงวงตกต่ำขนาดไหน จึงไม่ต้องหวังสสังคมแบบนี้เนี่ยที่จะมีศูนย์กลางรวบรวมอุดมการสำคัญที่จะให้สังคมเจริญเติบโตมีจุดแข็งที่สร้างความรุ่งสำหรับสาหรับสังคมมันมันมันยากคือต่อเมื่อทุกตระกูลทุกเผ่านี่ก็ยึดอยู่กับตระกูลและอุดมการศักดิ์ศรีของตัวเองะนะมันไม่มี ส, สูวนรวมจนกระทั่งท่านนาบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิสัลัมซึ่งเป็นบุรุษที่เข้าใจสังคมอาหรับอย่างดีและสังคมอาหรับถือว่าเป็นสังคมที่ตกต่ำที่สุดของสังคมมนุษย์ในยุคนั้นนะใตยตอ น, นั้นม่มีอะไรทาเยอะแยะไปหมดนะอินเดียจีน อ, อิรัก ตอนนั้นก็มีชามโรมมนอะไรทำเจริญมากในในหลายด้านแต่เขาก็มีความตกต่ำของของเขาด้วยนะแต่สังคมอาหรับนี่คือตกต่ำที่สุดแต่ ใ, ใครที่สามารถฟื้น ฟ, น ฟ, นฟนูสังคมที่ตกต่ำที่สุดในสังคมมนุษย์ทั่วโลกนี่นะแสดงว่าสังคมอื่นนี่นะสบายและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ นักวิเคราะห์อะไรท่านบีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์ทำไมต้องส่งไปให้หมูชนที่ตกต่าที่สุดในโลกคืออหรับผมเปนภารกิจภารกิจของนบีนี่เนี่ยต้องฟื้นฟูทุกกลุ่มชนมนุษย์ในโลกใบนี้แัน้สิ่งที่ท้าทายที่สุดเนี่ยนบีต้องผสมความสาเร็จกับคนที่ตกต่าที่สุดการฟื้นอุทยานอิสลามนี่พิสูจน์ให้เห็นว่า ฟื้นฟูไอ้คนนี่แบบบดแทบไม่มีความหวังว่าจะว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ไนงะถ้าเปลี่ยนแปลงน่าแสดงว่ากุฎอ่านนี่สามารถเปลี่ยนแปลงใครก็ได้ในโลกนี้อีกเป็นตัูแต่ในการที่จะให้สังคมมนุษย์เนี่ยไม่มีไม่ ม, ม, มีจุดแข็งอันเป็นที่พึ่ง ที่ปราศจากสาระสําคัญทํำยังไงให้สังคมมนุษย์เนี่ยได้ละทิ้งละเว้นเรื่องปีกย่อยเรื่องตกต่ําเรื่องจิบจิเรื่องไรสาระเรื่องเผาเรื่องศักดิ์ศรีของเผ่าเรื่องทรัพย์สินเรื่องสตังเรื่องเรื่องความใครตันหาเรื่องเรื่อง สตังทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องต่ำสุดเป็นเรื่องรองเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ท้ายท้ายลิสต์ของความสนใจของผู้สัทธานั บ, บีจึงต้องเสนออะไรที่เป็นจุดยืนสูงสุดของมุสลิมของผู้สัทธาให้เป็นจุดเข็นที่สุด และส่วนอื่นนั้นน่ะจะต้องขึ้นอยู่กับจุดแข่งที่สุดนี้สิ่งที่ท่านอับดุลลอฮฺอะลัยฮซสล l ได้มาเทศนาตั้งแต่แรกเียวสังคมอาหรับทั้งหมดเลยเนี่ยจะต้องศรัทธาในอัลลอฮและระซูลและให้อัลลอฮฺละระซูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงที่สุดในจิตวิญญาในหัวใจของเขาเรื่องสตังอะมาที่หลังเรื่องเผ่ามาที่หลัง เรื่องตะ ก, กูลมาที่หลังเรื่องประเพณีมาที่หลังจะรีบให้มาที่หลังอุดมการณ์ความคิดที่มาจากสังคมเป็นเป็นอุดมมคติเป็นความคิดเป็นสิ่งที่เคยชินเป็นสิ่งที่ปูญาตายายเขสาสังมานี่มาที่หลังให้อัลลอฮฺละซุนเนี่เป็นที่ตั้งใครจะมาเป็นมิตรเป็นศัตรูไปไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺละซุนนะ ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ต้องเอามาวัดเที่ยวลวเราสุดไอแบบนี้จะมีจุดแข็งที่ไม่มีอะไรที่สามารถข้ามหน้าได้ท่านอบีประสบความสำเร็จไหมบางคนนี่ไม่ยอมไม่ยอ ม, ม, ยอมบางคนนี่จะรีดประเพณีสิ่งที่ปู ญ, ญ่าตายสสางไว้นี่มันใหญ่กว่าถึงไม่ยอมไม่ยอมทิ้งไม่ยอ ม, ม, ยอ ม, ท, ม, ยอมทิ้งการบูชาจวิตถือว่าเป็นเรื่องที่ปูญย่ายาเขาสั่งสั่งมา บางคนน่ยไม่ยอมที่จะทิ้งอำนาจเพราะอำนาจทํามาหากินของเขาเนี่ยรายได้มหาศาลนี่มาจากการขายเจวิตการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยการค้าประเวณีชีวิตของเขาเนี่ยผูกพันกับเรื่องนึงจึงไม่ยอมยอมประกาศสงครามกับท่านนาบีฆ่าเห็นฆ่ากับลูกหลานพี่น้องของเขาอ่ะที่อยู่ฝั่งของท่านนาบีนะเพื่อไม่ให้เขามาดิ้รอนมาข่มเหงสิ่งที่เขาสร้างมาจาก สิ่งอบอยมุขทั้งหลายมีบอกก็ต้องเอาใหม่มหาสุรตะวันี้ก็มาเริ่มวางมาตรฐานพลละเมืองพลละเมืองของสังคมมุสลิมจะต้องเป็นยังไงจะต้องมีอะไรกันอันวละการสวามิภักดิ์ความตรงรักปักดี ให้ใครจงรักภักดีให้พ่อแม่จงรักภักดีให้สายตระกูลของตัวเองจงรักภักดีให้สัตตั ง, ตงเรื่องที่สําคัญที่สุด <c oughs> เรื่องแรกจงรักภักดีต่อเราสภานะและเตือนด้วยนะว่าชีวิตเนี่ยจะอยู่ในการทดสอบเพื่อให้พิสูจน์สำแดงออกมา ว่เราจงรักพ th. ักดีต่ออัลลอฮฺแรัสูลเนี่ยมากที่สุดหรือไม่เป็นมุธซออายะห์ที่บหลังจากที่อายะห์ที่บหาเนี่ยที่ไปแล้วนะว่าอัลลอฮฺ س ب ا ن ه และ ت ا ل ى เชิญชวนให้ผู้ศรัทธานี่ได้มีความเข้มแข็งในการเชื่อฟังอัลลอฮฺแรัสูลในการต่อสู้ผู้เป็นศัตรูผู้ที่ไม่หวังดีกับอิสลาม เพราะการที่จะต่อสู้กับผูกที่ไม่หวังดีกับอิสลามเป็นการปกป้องอัลลอฮฺสูลปกป้องศาสนาปกป้องกีติยศของอิสลามนี่นี่เราที่มาไปแล้วนะและการที่จะมีจุดยืนในการจงรับภังดีต่ออัลลอสุลจำต้องเป็นมาตรฐานจำแนกระหว่างพ ล, ลเมืองพลเมืองที่มีความโปร่งใส กับสังคมมุสลิมหรือพังงที่คิดคดไฟสูงต้องการผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมจะพิสูจน์ตรงไหนอัลฮัสิบตุมอันตุตรกุวะลัมม่ายาลามีละหุลที่น้าจ้าฮดูมินคุมวะลัมยัด ا ัชดูมินดูนีล من ิวรละรัสูลีวรละลูกมินีนวลิจะอัลลอฮุขับีรุบีมาตะมล หรือว่าพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะถูกปล่อยไว้ถูกตรากูถูกปล่อยปล่อยไม่ต้องถูกทดสอบทดสอบเรื่องอะไรอ่ะทดสอบในสิ่งที่มันสามารถจำแนกจาแนกคนได้คือในหลักการศาสนานี่มีบทบัญญัติอะไรเยอะนะ แต่แต่ละอย่างนี่ไม่จําเป็นต้องจําแนกว่าเป็นเป็นหรือไม่เป็นอาเช่นอย่างเช่นเรารณรงค์โครงการเอ่อโครงการช่วยเหลือเอ่อทำสุนัขหมู่การดีไหมดีตอบโจทย์คําสั่งสอนของศาสนาตอบโจทย์อ้าวแล้วถ้าใครไม่ร่วมโครงการล่ะถืาไม่ใช่มุสลิมเลยบ้าไม่ใช่ไม่ใช่เลย แต่จะมีบางอย่างนี่ถ้าไม่ร่วมนะอะนต้องสงสัยเลยว่าเช่นเกิดสงครามระหว่างคนที่กาลังลบลู่เหยียดหยามศาสนาและต้องการสังหารมุสลิมและมีมุสลิมอยู่กลุ่มนึนมงบอกขอไม่ยุ่งขอเป็นกลางแนี่เป็นกลางนีม่มันเป็นคำพูดที่สวยรู้มากเลยรอมากเลยผมเป็นกลาง หล่อเลยถูกย่อย่องเลยเป็นเป็นกลางบางกรณีเป็นกลางเน่ยใช่หล่อจริงถ้าสองฝ่ายเนี่ยไม่มีใครมีความจริงศาสนาธรรมชัดเจนทะเลาะกันเรื่องที่ดินแต่และฝ่ายนี้ไม่มีหลักฐานแล้วเขาก็เรียกร้องให้ทุกคนเนี่ฝักไฟเออฝักไฟมันไม่ชัดเรื่องบางเรื่องนี่ชัด ชัดเจวเลยละหมาตกี่วัคตูละหมาตห้าวัคตูอีกคนนึ่งบอกว่าหกวัคตูอีกคนนึ่งผมขอเป็นกลางเลยกันผมผมสงวนสงวนงวนิดหน่อยเรื่องที่มันมีความชัดเจนเอย่างเงี้ยนี่นบีเนี่ยปรากฏตัวเป็นเป็นเลยนะนบีปรากฏตัวเป็นเป็นเขากำลังต่อต้นนานนบีกําลังต่อต้านการเผยแพร่อิสลามเนี่ยแล้วใครที่จะไม่เข้าข้างนาบี หรือจะมีพันธมิตรในส่วนที่เป็นฝ่ายของศัตรูศัตรูของนบีเนี่ยจะเป็นคนละเมืองที่จงรักภักดีต่อ น, นบีได้ไงพวกเจ้าจะถูกปล่อยไว้อัลเลมไม่อัลมอิลเลวโดยที่อัลลอฮยังไม่ได้ทรงรู้อัลลอฮมยังไม่ได้ทรงรู้บรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหมู่พวกเจ้า พวกเจ้าจะถูกปล่อยโดยที่อัลลอฮฺยังไม่ได้ทดสอบพวกเจ้าจะได้รู้รู้ว่ารู้ว่าใครที่จงรักภักดีต่อเราเราสู้ด้วดยการด้การต่อสู้สเพราะถ้าหาว่าไม่ต่อสู้นี่มันก็จะไม่ปรากฏให้เห็นว่าอยู่ฝ่ายไหนมันจะรู้ดยังไงจะปล่อยโดยที่อัลลอฮฺยังไม่รู้หรืออัลลอฮฺะจะไม่ไม่ปล่อยพวกอัลลอฮฺะจะต้องทดสอบให้เกิดภาวะที่ จะต้องจำแนกฝ่ายและผู้ศรัทธานี่จะต้องเลือกฝ่ายที่ต่อสู้เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ Allah ละ r a s u วะลมยัตูินดูนลลาฮวะลรูลวะลลมบุอมนีนวาลิจะลอยังยังไม่รู้ยังไม่ได้ยึดถือและไม่ได้ยึดถือหมายถึงว่า a al ah. l l a ยังไม่รู้ ผู้ที่มิได้ยึดถือเพื่อนสนิทอื่นจากอัลลอและระซูลของพระองค์และอื่นจากผู้ศรัทธาทั้งหลายอธิบายเข้าใหมา่เพราะสำนวนมันอาจจะนิ่นิดนึงพวกเจ้าจะจะถูกปล่อยว่าอย่างนั้นหรอโดยที่อัลลอยังไม่รู้คนที่ต่อสู้ในควาางของโลกนี้และยังไม่รู้คนที่เลือดสาย ผู้เป็นมิตรอื่นจากอัลลอฮ์นบีสุละลูุสตามันจะต้องมีภาวะที่ทําให้คนเนี่ยได้สแสดงออกตกลงจะเอาอัลลอฮ์นบีสุลเป็นมิตรหรือจะเอาศัตรูอื่นจากอัลลอฮ์นบีสุลและผู้ศทธานีนะเอามาเป็นมิตรเพราะถ้าหากว่าแอบอ้างมาเป็นพลเมืองมุสลิมผู้ศรัทธามุกมินแต่ในขณะเดียวกัน มีพันธมิตรอื่นจากอัลลอฮฺละลอฮูลและผู้ศรัทธาแสดงว่าอันนี้เนี่ยไม่จงรักภักดีต่อ Allah อัลลอฮฺ ล, ละลอฮูซุลแลห์เรากำังเรากำลังบอกว่าระวังในพวกเจ้ากำลังถูกทดสอบให้แสดงความจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺละลอฮูซลด้วยภาวะที่จะต้องมีการการประทะระหว่างสองกลุ่มสองฝ่ายและพวกเจ้าจะถูกทดสอบว่าจะเลือกอยู่กับฝ่ายไหน เลอกยู่กับแฝอลัลลอฮ์เราละซูลต่อสู้เอลัลลอฮ์เราละซูลหรือจะเลือกมิด ต, ตื่นจกากอัลลอฮ์เราละซูลและบูสะตาไปเลนน่นี่เริ่มแล้วนะสุรธรรมนี่เริ่มแล้วนะเปิดเผยพฤติกรรมของพวกมุนาฟิกีแต่ยังไม่ไดิยังไม่ได้บอกอยังไม่ได้บอกว่าเขาทําอะไรบ้าง แตอ่อย่างที่ผมนําเสนอตอนต้นของสุรธรรมวานิยูสุรธรรมวานี่ล้วนเป็นสุรที่จะแฉพฤติกรรมของพวกมุนอาฟิกินฉายาของสุระบังฉายานี่อันฟ้องคือค่ะสุรแฉอะไรที่พวกมุนาฟิกีนเข้าไปประชุมแอบคุยกันวางแผนกันนี่นะโอ้สุระนี้เอามาแฉหมดเลยแต่นี้ยังไม่ได้ยังไมไ่พูดหนูว่าเขาทําอะไรกันมานะ่ะ ในการที่จะบันทอนสังคมมุสลิมในการที่จะทําลายแผนของท่านนาบีและสะอฮาบั้ยังไม่ยังไม่ได้เล่านะดูเขา้าเนื้หนึ่งก็ยินมีแต่อันนี้กําลังบอกถึงอุ ป, ปนิสัยของเขาเรื่องใหญ่ที่ทําให้พวกมุนาฟิกีนเนี่ยไม่เป็นบุคคลที่ ala, พอัลลอฮฺสุบฮานาห์ดาระพาพระทัยต่อเขานี่เรื่องเดียวนี่แหละก็คือไม่ฝักใฝ่ ยุคของมุสลิมสุรัตอัลเบกา่นแหะถ้ากผู้ที่่าอ่าั้นถาเป็นผู้ศรัทธาถ้าเป็นผู้ศรัทธาถ้าเปนผู้ศรัทาถ้าเป็นผู้ศรัทาถ้เนผู้ศรัทธาถ้าเป็นผู้ศรัทธาถ้าเป็นผู้ศรัทธาถเป็นผู้ศรัทธาถ้าเป็นผู้ศรัทธาถเป็นผู้ศรัทธาก้าเปนผู้ศรัทธาถ้าเป็นผู้ศรัทธกถเป็นผู้ศ้เป็นผ้ศรัทธ้าเปัาเป็นผู้ศรัทธาถ้าเป็น อื่นจากอัลลอและศาสนและบูสตานี่ยกตัวอย่างในทุกสังคมก็มีพลเมืองแอบพูดคุยกับต่างประเทศที่เขาเป็นศัตรูที่ไม่หวังดีกับประเทศชาติบ้านเมืองมีแผนที่จะทำลายประเทศชาติบ้านเมืองแต่พลเมืองในประเทศนี้ แอบไปพูดคุยแค่นี้ก็นโดนข้อหานะครคะทรยศชาติข้อหานี่นี่ประหารน่ะถ้าเป็นภาวะสงครามมนะไม่ไม่มีไม่ต้องมีสารตุลาการนะนะสารเตี้ยเลยนะใครที่ถูกจับมีข้อหาไปสมคบคิดกับศัตรูนี่นะโอ้สารเตี้ยเลยประหาร แม่ทัพนี่ไม่ไว้เนี่ยไม่ต้องรอนึงคดีไปอะไรเนี่ยภาวะสงครามนี่ม่มีเวลาเก็บเลยไม่มีเวลาที่จะมานั่งมานั่งปอบใจกันภาวะสงครามเนี่ยแต่ถ้าไม่มีสงครามแล้วเรามีศัตรูบางประเทศที่มีศัตรูมีแผนที่มุ่งทําลายทําลายเศรษฐกิจทําลายสังคมทำลายความมั่นคงทําลายทรัพยากรแน่นอนใครที่ร่วม รวมกับเขาเนี่ยเราก็ถือว่เป็นศัตรูไม่ไม่จงรักภักดีกับประเทศชาติก็หานี่ร้ายแรงที่สุดก็เหมือนกันแหละไม่เหมือนกันแหลหรับสังคมมุสลิมความจงรักภักดีเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผ่นดินไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดการ รงรักพักดีในหล่งการศาสนาะักดีต่ออัลเราะซุท่านั้นทุกผลประโยชน์บุคคลทุกบุคคลอำนาจทุกอำนาจที่เกิดกระทงขึ้นอยู่กับอละลอฮฺเราละซุะ่นอัลฮัซิมุกพวกเจ้าจะคิดว่าถูกปล่อยโดยไม่มีการทดสอบให้เกิดภาวะที่จะต้องมีการต่อสู้เสียสละต่อสู้ เราจะได้รู้ไงว่าใครที่จะยอมเลือกฝ่ายต่อสู้เพื่ออัลลอฮฺเรละซุลพวกเจ้าระวังถูกทดสอบเรื่องนี้นะแล้วพวกเจ้านี่ไม่ฝักฝ่ายอัลลอฮฺเราลซุลไม่ต่อสู้เพื่ออัลลอฮฺเราลซุลถ้าเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเท่ากับพวกเจ้านี่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาที่จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺเราซุลหรือว่าพวกเจ้าถึงจะอ้าง ว่าเป็นผู้ศรัทธาที่ฝักใฝ่อลลอฮฺ رسول ก็จริงแต่ยังมีมิตรอื่นจากอลลอฮฺละ ر و ل และผู้ศรัทาซึ่งเป็นศตรูเป็นผู้ที่ไม่หวังดีกอัลลอฮแะลีเจนมลีวลมตขีดูนดในอัลลอฮฺและ رسول อย่สดงว่าเป็นหน้าที่ของเราเดียวที่จะต้องสำรวจตัวเองเราจะมีหรือบุคคลเป็นมิตรที่จะเข้าข้างเขา สมคบคิดกับเขาเพื่อทำลายอัลลอฮฺลลสูซาสนาของัลลอฮละลาสูลและผู้ศรัทธ า, ลลาถ้าเราทำแบบนี้แสดงว่าเราไม่ใช่ผู้ศรัทธาเป็นบททดสอบที่มุสลิมทุกคนนี่จะต้องสำรวจตัวเองในหลายกรณีในหลายมิติในชีวิตของเขาบางทีเราจะต้อง อยู่ในสังคมเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องราวอะไรบางอย่างเนื่องใครเห็นด้านการเมืองด้านการทํามาหากินทางานบริษัทไปสมัครแล้วทั้งทีเนี่ยเพราะเป็นบริษัทที่ไม่มีสิ่งคารอมอไม่มีสิ่งคอมแต่วันดีคืนดี่ายบริหารเนี่ยเขากําหนดนโยบาย ทำอะไรสักอย่างนึงของบริษัทซึ่งเป็นการต่อต้านต่อต้านหลักการศาสนาที่เรารู้ว่ามันมันสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วถ้าเราเป็นคนที่เข้าข้างตัวเองผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเราไม่เห็นด้วยถ้าเราแสดงความไม่พอใจเราก็อาจจะเสียตำแหน่งในบริษัทไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้ แต่ถ้าเรายอมเขาเขาก็จะมองว่าเราเขาก็จะมองว่าเราเป็นมุสลิมสาคูนไม่ขั้งศา ส, สนาไม่อะไรเราก็ยังพออยู่ได้แต่เราก็จะสลัดละการอะไรบางอย่างอันนี้นี่คือตัวอย่างอื่นจากอัลลอฮฺและศาสดาอวะลีจ้าเป็นมิตรให้ความสำคัญให้ความสนิท ส, สนมให้ความใกล้ชิด ให้การยินยอมในเรื่องที่มันตรงข้ามกับอัลลอฮฺลซุลเลมุสัเข้าไปเล่นการเมืองร่วมทำงานกับพรรคการเมืองเข้าใจเข้าใจแล้วอ่ะเขาเก่งใจมุสลิมเพราะเขาหานักการเมืองมุสลิมมาร่วมจะได้ช่วยกันหาเสียง เขาก็ต้องต้องมีนโยบายที่เก่งใจมุสลิมแต่พอรวมตัวกันแล้วเนี่ยอยู่ดีก็มีนโยบายปุ๊บจกเอมานโยบายขัดกับหลักการศาสนาอย่างสิ้นเชิ่เช่นนโยบายสนับสนุนสิ่งอบรยมุกอะไรทั้งหลายนีอะไรอะไรพวกที่มันมีเสร็จเนี่ย่ทไไงขัดขันขัดขันนี่ก็ถูกไล่ดี ไม่เป็นกรรมการพรรคไม่เป็นสอวอไม่เป็นสสไม่ไม่เป็นคนกำหนดนโะยบายบทอนาคตมหมดถ้าังไงหนิงเฉยบ้างไม่พูดบ้างนี่เลือกตั้งนี่นาใช่ไหม มีนาปีนัมีนาหรอฟะปีมีนาบี น, านั้นเน ด, ดูดูเดือดเลยนะพวกในวิบัยก้าวหน้าก้าวไปเรื่อยๆเนี่ยนะดให้ดูเยาวาชวนมุสลิมเรานี่กําลังฮิดมากเราต้องต้องตือนสติเยาวาชวนวัยรุ่นหนุมสาว ที่กำลังสนับสนุนพรรคบางพรรคหรือแม้กระทั่งมุสลิมบางคนที่สนับสนุนนโยบายพรรคพรอสนองความต้องการด้านนันทนาการและความบันเทิงพรรคนี้สนับสนุนกันชาเสรโอ้โยงชอบเลยเอาเอาเลือกเลือกวนี้ว่ากนี้บางชอบบางชอบ มัจะหาเสียงกับความตกธรรมของผู้คนเลือกฉันดิพอเล่าจะเสรีเลือกฉันดิกัญชาจะเสรีเลือกฉันดิเพราคู่ชีวิตเอออะไรเพศเสรีคนออะไรคนนี้กันเนี่ยแบบไม่มีเพศเลือกฉันดิเราจะได้ไงชอบช มันไม่บาปอ่ะมันไปนเรื่องระหว่งฉันกับล้อเนี่ยมาแล้วไปเรื่องระหว่งางฉักับล้อยังไม่ยุ่งนี่ไงเรื่องมันพันสี่รอกว่าปีแต่มันมันเปลี่ยนร่างของมันเนี่ยตามยุคตามสมัยจึงเห็นประโยชน์ของคุรอ่านเนี่ยพอมาเรียนรู้ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเห็นว่าคุรุอ่านนี่ก็กำังชี้ขาดในบางประเด็นถึงแม้ว่า เนื่นไขของมันนี่มันไม่เหมือนในยุคอดีตตอนที่ถูกประทานลงมานะแต่มันก็เป็นเป้าหมายเดียวกันมันเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันมุสลิมที่ฟักไฟผลประโยชน์ของตัวเองความต้องการของตัวเองสนองสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ลืมหลกักการของัลลาฮหลการของศาสนาลืมสังคมมุสลิมของตัวเอง คนมุสลิมที่สนับสนุนกัญชาเซรีเนี่ยลื ม, มอะโรงเรียนมุสลิ ม, มลืมเนี่ยตัวเองรู้นะตัวเองต้องรู้นะเพราะหาเสียงกับบบอหาเสียงกับุิมแล้วก็โรงเรียนมุสลิมทั่วประเทศนี่เขาออกแถลงการณ์าไม่เห็นด้วยเพราะเขานี่ปวดหัวนี่แค่ยังไม่เซเรียเขาก็ปวดหัวแล้วแล้วพอแต่เสเรีเนี่ยมันจะไปกันถึงไหนอะเขาก็ได้ยินแล้วแต่ก็ยังเดินหน้าสวามีพักหัวหน้าพักเนื้อมาของ แต่ลืมสังคมผู้สัตว์ก็่เกเอ็นมิดนะเออทำไมที่เรื่องประเด็นนี้นะน่าจะเข้าเข้าหานะักวิชาการเข้าหาผู้รู้ผู้นำศาสนามีความเห็นยังไงหน่ยชี้นำผมหน่อยดิให้คำารึกษาผมไม่หนี่ออกกระหัวหน้าพักไปปาร์ตี้งานวันเกิดของคนนู้คนนี้ไป ไข่ะนี้เป็นไค่วนันอาทิตของตัวเองอะที่มีนโยบายกัญชาเสรียนะใส่เสือ้อไอ้สุราส ป, ปสักทั้งหลายเนี่ยเสือ้อเสือ้อสปอนเซอร์ของของของน้ำเมาอะนหมายรวมว่าน้นหมายรวมว่ า, า, รววาพรรคของคุณกับเรื่อง สิ่งมันเมาเรื่องอะไรนี่มันฮะมันซุ้มตําด้วยกันนะมันมันรวมมิตรกันนะมันเป็นมันเป็นองค์ประกอบอ่ะมีหมดเลยมีเหล้ามีกัญชามีอะไรทุกอย่างเนะแล้วใครที่ออกมามาต่อต้านนี่โอ้ก็สวนกลับต่อต้านยังดุเดือดยังรุนแรงเลยโอ้โหบททดสอบเรื่องนี้ทุกวันนี้มันก็ยังมีให้เห็นในสังคมของเรา สิ่งที่น่าอันตรามากอย่างที่บอกกับพี่น้องอ่ะเขาก็มีศาสนานะพวกนี้นะเนี่ยก็ละหมาดอยูม่ามาละหมาดอีดเดอร์ฟมดอ น, นี่ก็ก็เห็นนะเห็นหน้านะแสดงว่าความเป็นมุสลิมเนะี่ยเขาก็ยืนยันนะ่ะเขายืนในะความเป็นมุสลิมแต่เวลาถึงสิ่งที่มันจะจำแนกให้เห็นนะว่าตกลงนี่จะเลือกฝ่ายไหนอนะ่ะปรากฏว่าสอกตุกอ่ะไม่ผ่านนะ ไม่ได้พูดมีดูดความสาใจในพูดด้วยความหวาดกลัวเสียงไส้เหลือเกินถ้าเราเนี่ยได้ประสบบททดสอบนี้เราจะทำยังไงเราจะเป็นคนที่ฝากไฟหลักการศาสนามีอุดมการถึงแม้ว่าเราจะเสียหายนี่ท่านนาบีลและสหาบ้าเนี่ยเราต้องเราต้องเห็นคุณค่าของเขานะเขาไม่เขาไม่เขาไม่ได้ขาดตุนพันสองพันล้านสองล้านนะไม่ สภาพทีอุปยบจากมกาเนเลือกไปอยู่กับท่านนบีฝักไฟท่านนบีอุปยบเลยนะคือทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งเงินทิ้งวันหพีนไม่ไม่หมดเกลี้ยงเลยไม่เหลืออะไรเลยอไม่ใช่เรื่องธรรมดาสมัยท่านนบีนี่คือคนที่เลือกท่านนบีนี่ก็คือหมายถึงก็ต้องทิ้งโลกต้องทิ้งชีวิตทัศชีวิตเลยสลัยอมบางคนบางคนต้องผู้หญิงต้องทิ้งผัวผัวต้องทิ้งเมีย ผมก็ต้งทิงลูกเชิญชวนแล้วปะ่ะไปศรัทธาแล้วก็บไปอยู่กับท่านนาบีไม่เอ้าก็ไม่เอาเลือกใครเรื่องนบีเสนอกับภรรยาไม่เอาก็ไปภรรยาเสนอก็บสามีเรามไม่เอ้าภรรยาต้องไปคือเราต้องถือว่าสิ่งที่อิสลามได้ได้ทำไว้ในสังคมนี่คือการที่ขย่อลขย่าครั้งยิ่งใหญ่ให้สังคมเนี่ยได้ฝักไฟให้ชัดเจนไม่งั้นสังคมจะไม่สะอาด ไม่สะอาไม่มีวัตสงค์งคก็จะมั่วบแบบนั้นนะเพราะในเมื่ออัลลอฮ์ ر س ่ไม่สูงไม่สูงสุดแล้วอ่ะนะมีผลประโยชน์ของเมียของขผัวของขอ ง, ของลูกของเผ่าของตระกูลของอของบริษัทของฉันก็ผลประโยชน์ธุรกิจของฉันมันไม่จบเลยแต่สังคมต้องถูกขย่าวให้เลือกฝ่ายให้ชัดเจน สังคมมุสลิมบ้านเานี่ก็เคยผ่านเรื่องนี้มาหลายรอบหลายยุคหลายสมัยเราต้องยอมรับแล้ามีมีอยู่ช่วงหนึ่งสังคมมุสลิมเริ่มเติบโตบนแผ่นดินสยามเนี่ยถึงขนาะที่มุสลิมบางคนต้องสละศาสนออกจากศาสนานะทุกวันนี้ก็ยังมีตระกูลหลายตระกูลที่ถือว่าดั้งเดิมเป็นตระกูลมุสลิมหมดละไม่เหลือละ เราผ่านมาหลายขั้นตอนล่าสุดนี่นะครับในช่วงที่เริ่มเริ่มการศึกษาเรียนรู้เริ่มเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างจริงจังนะแต่คนรุ่นใหม่นี่อาจจะไม่ทันผมนี่ก็อาจจะไม่ทันผมมาช่วงปลายๆช่วงที่สังคมมุสลิมเอยียงไม่สามารถจําแนกในเรื่องที่การร่วมกับศาสนิกอื่นๆ เรื่องกิจกรรมเรื่องศาสนาเรื่องสังคมยังยังไม่ชัดเพราะไม่มีความรู้ดังนั้นงานวัดมีหมดมุสลิมงานสุรามีหมดเรื่องนี้ประมาณหกสิบเจดสิบปีที่ผ่านไปแล้วนะงานของของมุสลิมมีมหมดครบชุ ด, ด ง, งานของวัดนะ่ะแขกมาครบชุด ทุกวนนี้ก็ยังมีนะยังหลงเหลืออยู่นะงานงานเจ้าที่มีตัระบร์อานยาซีนหน้าสารพระภูมิเลยยัง ม, มีต้องครบชุดไงพามก็มาพูดก็มาแขกก็มาครบชุดก็ยังมีแต่นี่หลงเหลือน้อยแล้วแต่ตัวคอนู้ดเข้มข้ น, นแต่มาเริ่มมาที่หลังสังคมเริ่มรู้สึกมากขึ้นละ ร่วม ง, งานวัดมันได้เนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วแล้วเริ่มเข้าใจว่าเออแยกอ น, นี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ทําไม่ได้นะแต่เรื่องอื่นนี่เราทํากันดีมันจะช่วยเรื่องความสะอาดเรื่องต้นไม้แล้วก็อะไว่ากันไปเริ่ ม, ม, มเรื่องมีความเรื่องเรื่องแยกแล้วเพราะเราอยู่ในสังคมรเราะว่าแต่หน้าทำดีแน่นอนเราต้องอยู่ร่วงร่วงกับเขาแต่ร่วมแบบมีสติมีหลักการมีเหตุผลเชกเช่นดิอิสลามตอนปกครองอะ น, นะ ก็ให้ต่างศาสนาเนี่ร่วมกิจกรรมด้วกิจกรรมยกเว้นกิจกรรมศาสนาม่มีนนสมัยอิสลามปกครองไหนมาละหมาดอิบเรกันไอ้มาละหมาดเยามุเลิมด้วยกันนเชิญเชิญชวนก็ไม่ได้ฉลองเฉลิมฉลองอีเรอะไรนี่ไม่ดีบังคับไม่ได้อะไรในการการที่เราได้แยก ส่วนที่มันเกี่ยวกับศาสนากับส่ส่วนที่มันที่มันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาในที่พอร่วมได้ที่ศาสนาอันสมอ่วยได้นี่มันต้องมีความรู้และนอกนั้นจากความรู้ก็ต้องมีคือต้องมีแม่เหล็กในสังคมที่คอยที่จะชี้นำสังคมสังคมลำบังถ้าไม่มีไม่มีวิชาการนำหน้าเนี่ยชาวบ้านขายปลาขายกุ้ง งานวัดนี่นของหมดเลยนะเฮะ้ยไกยากอย่างเงี้ยขายหมดเลยนะไม่เหลือเลยไม่ไปงานวัดเด้ไงธุรกิจนะถ้าชาวบ้านเนี่ยเขาคิดแบบธุรกิจแบบเรื่องสร้างอย่างเดียวนี่ไม่มีเหลือลนะ่ะงานวัดเนี่เกี้ยงเลยแต่พอมีนักวิชาการพูดบ้างนะ่ะเออนี่เป็นส่วนนึงเป็นขั้นตอนนึงในการเปลี่ยนแปลงสังคมเหมือนกันให้สังคมเนี่ยด้ เริ่มจำแนกนเรื่องศาสนาที่ตรงมาก่อนแต่ผมยังเห็นใจนะคือคนที่ยังลังเลในการที่จะจำแนกตัวจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เขาเลือกเลือกฝ่ายที่ไม่ใช่อิสลามแนะไม่ใช่ผมว่าส่วนมากนี่มันมาจากการที่มุสลิมเราหนื่นะกุศการบางคนเนี่ยที่สร้างภาพลวง ทำให้เขาสงสัยอายุกตัวอย่างการที่มุสลิมฝากเงินกับประกันประกันภัยก็เกิดจากฟัตววของมุสลิมบางคนผู้รู้บางคนที่เขาบอกก็าทำได้และยังมาอุปโลกสร้างบริษัทประกันภัยของมุสลิมเลยนยะยิ่งมุสลิมก็ยิ่งยิ่งโอเคดี ธุรกรรมด้านด้านการเงินที่ปราอ้างว่าปราศจากดอกเบีย้ยและมีนักกุญการมารองรับอย่างเงี้ยสังคมก็เหตตามแม้กะะทั่งเทศกาลบางอย่างที่ไม่ใช่อิสลามเลยเน่ยนะนี่อย่างล่าสุดในพีน้องก็ค ง, งติดตามแนละ้วก็คนที่ทำเนี่ยผมก็มผมไม่เชื่อนะว่าเขาทำเนี่ยเพราะเขาศรัทธา อย่างเทศกาลปีใหม่เทศกาลคริสต์มาสเทศกาลฮลูวีนอะไรพวกเนี้มุสลิมที่เขาร่วมนี่เขาไม่ได้เชื่อสถานนะเขาไม่ได้เชื่อนะแต่เขาตามนี่เนื่องจากว่ากระแสหลอกลวงไงเฮ้ย hey, ทำได้เฮ้ยไม่มีอะไรเฮ้ hey, ฉลองเล่นๆเ ล, เลของเล่นสนุกสนานเห็นประเทศดังๆที่มีชื่อเสียงฉลองกันโอ้โ oh ห จะมาอาจมาอาะไรกับฉันฉันเป็ตัเล็กนีดเดียวนี่ฝ้าระวังบนโลกนีสิ้นเดือนนี้เพราว่ามีเรื่องแน่แลวหลังจากบนโลกนี้สิ้นเดือนธนวานี้เอลวินใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางที่รียบจะมาดูให้ดูคริสต์มาสนี้มันจะเป็นยังไงมาอีก เราคงคง ม, มันไม่เศร้าหรอกที่ผู้ปกครองคดดันในสังคมเนี่ยในเรียนแบบแตะวันตกแต่ที่เศร้ามากกว่าไม่มีอุลามาออกมาพูดแม้แต่คำเดียวทำไมไอ้เนี่ยบาป ท, ทั้งหมดเลยนะบางคนฟอร์ตูบีไยบาปทั้งหมดเลยกลัวกลัวติดคุกกลัวกลัวเสียชีวิต และความรู้ที่เราศึกษาเรียนรู้นี่เพื่ออะไรก็เพื่อให้ให้มีคนหนึ่งยอมเสียสละชีวิตเนี่ยเพื่อลการศาสนาให้ประจักษ์ถ้ามีคนออกมาพูดเนี่ยพี่น้องไม่มีเราจะปิดปากใครไม่ได้แล้วปล่อยไปเธอนะฮะปล่อยไปทางติ๊กตอเดี๋ยวมันก็ติ๊กตอกไปทั่วโลกไม่ต้องมีสำนักข่าวมาสัมภาษณ์ไม่ต้องปล่อยทางติ๊กตอก คน ก, ก็รู้กันทั่วโลกแล้วว่าอุลมาคนนี้เนี่ยเขาพูดแล้วทําหน้าที่แล้วท่านจะถูกกุ้มท่านจะถูกเออคุมกับการที่จารึกในประวัติศาสตร์ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้รู้ส่วนหนึ่งออกมาทำหน้าที่คุ้มมีเงินความรู้มันจะมีประโยชน์อะไรละ การที่ฝักใฝ่ฝักใ <c oughs> ฝ่ฝั่งที่เป็นศัตรูกับอนาราตรสูลเนี่ยบางทีไม่ต้องมีพฤติกรรมแสดงออกมาบางทีไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องทำอะไรแต่มันเป็นความลำเอียงที่อยู่ในหัวใจเห็นใจศัตรูเห็นใจคนที่ต่อต้านตระสู อินไก่เหลังที่นี่มันออกมาเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังออพอสถาบัน เ, เรื่องเรื่องโบราณคดีของของฟาโรของอียิปต์โบราณเ mm hmm. ขาดูแลเรื่องมัมมี่เรื่องวัตถุโบราณของของอียิปต์ สินคเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุตสาหการรมท่องเที่ยวแต่ไย่งใดเขาเกี่ยวกับเรื่องวัตถุโบราณอย่างเดียวดูตรวจสอบเรื่องออสุสานนี้มันใช่มันมีกี่ชิ้นมันอะไรรักษาอย่างไงดูพิพิธภัณฑ์นี่งาที่งแต่ล่าสุดนี้บอกผมไปบรรยายที่โรงแรมแห่งหนึ่งจะบรรยายช่วงตอนเช้าก็เลยไปค้งคืนหนึ่งผมสนุงเลยตอน เช่านี่ละมาอาจารย์ซุโบนี่ลั่นเป็นโรงแรมห้าดาวนะวันนั้นท่องเที่ยวบางคนก็ บ, บ่นที่จริงนี่ตรงมีล้ อ, อาจารขนาดนี้ดังขนาดนี้แคะอาจารย์อาจารย์ในมืสิล์ก็พอผมไม่ได้มองถึงเรงเหตุผลนะผมมองว่าทำไมต้องพูดแล้วออกมาพูดนี่มันจะมีประโยชน์แต่คือคุณไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ของคุณน่ะ เออถ้สมมติว่ผมบอกเออผีพิถันเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยในในในศูนย์กลางเคยเผมไม่เห็นด้วยผมออกก็พูดมุณจะมีประโยชน์อะไรอะถ้าผมไม่เห็นด้วยคุณจะเอารูปปั้นของเอ่อของกษัตริย์ฟาโร่คนยังงั้มามามาตั้งผมไม่เห็นด้วยไม่เหด้วย ม, มีประโยชน์อะไระคุณเป็นใครเราพูดกันตลอดว่าเออต้องมีความเชี่ยวชาญ สาขาใครสาขามันนี่คนที่ชํานาญการศาสนานี่กับบุรินทรศาสนาคนที่ชํานาญการเรื่องเรื่องประวัติศาสตร์กับเรื่องประวัติศาสตร์แต่นี่มันมั่วหมดศาสนาเนี่ห้ามยุ่งกับเรื่องอื่นนะศาสนาห้ามยุ่งกับประวัติศาสตร์ห้ามยุ่งกับท่องเที่ยวห้ามยุ่งกับเศรษฐกิจห้ามยุ่งห้ามยุ่งกับอะไรนะแต่ทุกภาคส่วนอื่นนะนะมายุ่งกับศาสนาหมดเลยนักธุรกิจก็วิจารณ์ศาสนา ไอ้เรื่องห้ามดอกเบี้ยนี่เป็นเรื่องโบราณวิจารณ์แต่ว่าศาสต์วิจารณ์ศ า, า ส, สนาอะไรก็วิจารณ์ศาสนาหมดใช่ไหมแต่จะมีกลุ่มหนึ่งในสังคมมันน่ไม่พูดไม่จาไม่แสดงไม่อะไรลยแต่หัวใจของเขานี่เชียร์อยู่เชช่นที่อัลลอสุบฮานะหาวัวใจละไม่เอาโทษกับคนนี้ไม่สามารถแสดงออกในการฝากใยนะ แต่หัวใจเขาเนี่ยฝักไฟอัลลอฮ์ราซูลศาสนาแค่เห็นใจกลุ่มเหล่านี้แต่ศาสนาก็จะไม่เห็นใจอัลลอฮ์ราซูลก็จะไม่เห็นใจกับคนดีใจของเขาเนี่นะคือเขาเนี่ยไม่ได้สแสดงออกมาเป็นวาจาเป็นการกระทาแต่ใจเขาเนี่ยฝักไฟ่ศัตรูอิสลามแล้วเรียบร้อยอยู่ฝังนู่นแล้วฉะนั้นอัลลอฮ์ทิ้งท้ายในไอ้ย่านี้บางเรื่องนี้ ยักด้วยอัลลอฮ์มรูนั้นและอัลลอฮฺข้าบิร์นั้นว่าที่ท่านทำท่านรับรู้ในรายละเอียดในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำถึงแม้ว่าคนไม่รู้ข้าบิร์นั้นจะใช้ในสิ่งที่คนส่วนมากคนนี้ข้าบินั้คนนี้คนรับรู้ในสิ่งที่รายละเอียดโดยคนส่วนมากไม่รู้ จะมีบางเรื่องเราอาจจะคิดว่า เ, ออเราทำหรือพูดหรือเชื่อรู้สึกในใจคนไม่รู้แต่เรารู้อัลลอฮ์รงรู้และในสุดตะวัานี้จะมีพูดถึงเรื่องนี้ตลอดนะอยูอัลลอฮรู้อรู้อะไรที่อยู่ในหัวใจของพวกมุนนฟิกีนที่เขาฝักใฝ่ ศัตรูอิสลามถึงแม้ว่าเขาแสดงออกว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาเขาแสดงออกว่าเขาฝักไฝ่ระซูลและผู้ศรัทธาแต่ที่ยิงหัวใจเขาอย่ากันนังเชียขณะที่มีสงครามที่มาดีแน่แล้วเขาอยู่ที่มาดีแน่แต่เขากันกนังเชียฝ่ายกุริสกันนังเชียฝ่ายยูกันนังเชียฝ่ายโรมันให้มาบุกรุกแผ่นดินอิสลามมีทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทดสอบ ผู้ศรัทธาผู้ศรัทธานี่ให้สำรวจตัวเองสแสดงว่าส่วนหนึ่งที่จะให้พุอาะเนี่ยเป็นทางนำในชีวิตของเราเนี่ยตรวจสอบตรวจสอบการฝักใฝ่ของเราเรื่องเรื่องการเลือกเลือกฝ่ายเนี่ยมันไม่ไอิบาดะ อ่สมมติว่ามีสองฝ่ายเนี่ยพักการเมืองสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเลือกนโยบายกัญชาเสรีฝ่ายหนึ่งเลือกไม่เห็นด้วยกับกฎหมายกัญชาเสรีเราเนในฐานที่พลเมืองเราไม่มีอำนาจไ ม, ม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในสภาไปพูดอะไรเลยเราก็ดินรดน้ำ ม, มหากินของเราเนี่กำลังสู้อยู่กับปัญหาอะไรในชีวิตของเราแต่ใจเราเนี่ยโซโลโมนใจเราเนี่ย อยู่กับฝายไหนอยู่กับฝายที่เอาด้วยกับอับยมุกรือฝายนี้ไม่เห็นด้วยกับอับยมุกซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เรื่องละหมาดไม่ใช่เรื่องสการไม่ใช่เรื่องคือสินอดแต่มันเป็นการสำรวจตัวเองว่าตกลงหลักการศาสนาเนี่ยเราจะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนคุณอาจจะต้องเป็นทางนำไปเราตรงนี้ ตรงนี้อยาย่นี้ไม่ได้สอนให้ละหมาดไม่ได้สอนให้ทําไมมาหน้าแทงไแต่สอนให้เราได้มีจิตใจที่เต็มที่ที่ครบถ้วนสมบูรณ์กับหลักการศาสนาในทุกมิติอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ชาวอาลลอฮ์แล้วผมจะเกินไว้นิดหนึ่งนะครับ mm hmm. เพราะเวลามันใกล้สมดุดแล้วเกินไว้นิดหนึ่งแล้วก็ดูที่ใบอาย่านี้ดอาจจะยกยอดไปสัปดาห์หน้า อย่าลืมนะว่าอาหรับเนี่ยดั้งเดิมนสสนเนี่ยศาสนาเขานี่คือศาสนาท่านนาบีอิบราฮิมศูนย์กลางของศาสนาอิบราฮิมเนี่ยการเป็นกิจกรรมสําคัญที่จะต้องพึ่งพาสถานที่เนี่ยก็คื อ, คอฮะจละอะฮ์มโรผู้เริรร่มปฏิบัติพระบัญญตัตินี้คือท่านนาบีอิบราฮิมท่นานนบีเป็นอิบราฮิมเป็นผู้ก่อตั้งและก่อสร้างคำว่าและเป็นผู้เรียกร้องเชิญชวน มนุเสชาทั้งหลายนี่ให้มาประกอบศาสนกิจที่กาบนไงอารับนี่ถือว่าเป็นเจ้าภาพอะในเบอร์ด้าคัญฉะนั้นเรื่องที่อารับนี่ลืมไปเลยนะกิจวัตรประจําวันนี่ยเขาลืมไปเลยการละหมาดทุกวันท่านดิบิบรหิมมีนะดูอาของท่านบิบิบรหิม إ ม ع ل ن ي مقيم الصلاة و من ضريتي ขอให้ข้าพเจ้านะลูกหลานวงวานของพระเจ้าดํารงซึ่งกัลลามาตมีศาสนาเรอยู่เลยมีละมาตทุกวันแต่ที่หลังนี่อาหรับเขาไม่มีเขาทิ้งไปหมดเลยแต่มีเรื่องที่เขาหนักแน่นมากนี่คือเรื่องฮัจจ์ทำไมเนี่ยพอเรื่องฮัจจ์เนี่ยมันชุมนุมระดับภูมิภาคมากันตั้งทุกที่เนี่ยพอมาชุมนุมกันแล้ววิถีชีวิตเนี่ยมันต้องมีอผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง ไปทำพัดเป็นเดือนอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีกินต้องมอีต้องมีสํารานต้องมีมันก็เลยเกิดตลาดธุรกิจธุรกิจหนุนกิจกรรมด้านศาสนาทุกไอิบาด่านี่ที่มีธุรกิจหนุนน่ะนะจะยังยั่งยืนนี่ไม่ใช่พรางคนเขาเลื่อมใสในอิบาด่านในคําสั่งสอนนะแต่เลื่อมใสในผลประโยชน์ ตลาดเกิดขึ้นหลายตลาดช่วงฮัทนี่ยตลาดนัดนี่ยซึ่งเป็นตลาดระดับข้าบสมุทรอาหรับเลยนะมากันกัมาโอ้นี่มาตั้งตลาดกันมีสมตลาดสคุกาวมิจนแะกิลมจัสรลมจัสตลาดใหญ่ที่เกิดช่วงฮัมีช่วงก่อนฮัทและก็ช่วงหลังฮั อก๊อซี่ดังมากดังมากทุกวันนี้เนี่ยตําบลอกอ๊อซก็ยังอยู่นะใ ก, ใกลไกลมักกะเนี่ยแล้วก็มีชื่อหนึง่งซึ่พิมพ์ดังมากที่สุสดนี้ก็ชื่ออกอ๊อซเนี่ยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ฉะนั้นเขาจะมองว่าเรื่องการทํากิจกรรมเรื่องศาสนานี่มันยังคงมีอะไรที่หลงเหลือมาจากศา ส, สนาท่านอนบดุลบรอิมเขายังไม่ทิ้ง แล้วก็าถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าเขายังไม่ทิ้งคนนี้ไงเขายังเครื่งครัดเรื่องศาสนายังรักษาอ่ะแต่อยู่ไปอยู่มาตั้งแต่สมัยนบีบรูฮีนถึงนีมูฮัม ม, มัดเนี่ยสามสี่พันสามหรือสี่พันปีนะไม่ไม่เป็นพันปีอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิบปีไม่ใช่เป็นร้อยปีเป็นพันปีอยู่กันอย่างเนี้ยจะไม่มีอะไรหายไปเลยเหรอเนี่ยเนาะ อย่างน้อยเนยเรื่องความเชื่อเรื่องความเชื่อกาบ้านี่คือใบตุลละทาอะไรวมดสักกาะอัลลอฮ์อันนี้ยังมียังมีอยู่อัแสดงว่ายอมรับผมมียอมรับผมยอมรับอับว่าอัลอ์นี่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายนี่ผู้สร้างนี่คืออัลลอฮ์ยอมรับอะลลอทั้งหมด Allah insan taumin khalqat al-sama'at la yakulunna l l a h ยอมรับแต่ขอมีมี อันนี้พระเจ้าสำหรับขอหวยอ น, นี้พระเจ้าสำหรับฝนตก น, นี้พระเจ้าสำหรับแต่งงานเยอะไปหมดเลยเยอไปหมดศิฐานนะว่าแต่ละพื้นที่ทั่วโลกนี่ก็เป็นอย่างนี้อย่างที่คริสต์โรมันเดิมเนี่ยเขาก็ต้องมีนบีมาละบอกอิมมินอุมมัดินอิลลัฟลฟีฮานาซีทุกประชาชาติทุกสังคมมนุษย์เนี่ยมีผู้ตักเตือนเนี่ยไปหาเขาแล้ว แต่แน่นอนอยู่กันไปอยู่กันมาเนี่ยเขบิดเบือนอุปหลุกพระเจ้าจอมปอมขึ้นมานี่ตามความต้องการของตัวเองอารับก็เหมือนกันน่แะรู้แล้วรู้ทั้งทีในว่า ก, กาบ้านที่นาบีบรูไฮมสร้างไว้ทําไมอิหมวนีบรูไฮม์มาการในติอัลลัตุชริกบิชัยก็สร้างกาบ้านเนโดยที่จะให้ตั้งพาคีกับฉันเลยนี่คําสั่งสอนนบีบรูไฮมถ่ายทอดไว้แล้ว อะไรมันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแน่นอนแน่นอนเปลี่ยนแปลงนี่ดูเรื่องใกล้ตัวเราแล้วนะองค์กรสถาบันมัสยิดเนี่ยดูดิรุ่นก่อตั้งนี่เขาสร้างก่อตั้งไว้ยังไงอ่ะนะแล้วก็ผ่านไปรุ่นสองสามรุ่นพอที่มีชีวิตจะทันนะั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนั้นชัดเจนไม่ต้องรอเป็นร้อยปีเป็นพัน 1, ปีนะ เอาเรื่องที่เราพอที่จะทันนะสองสารุ่นนี้เราสามารถเห็นบางพื้นที่บางองค์กรบางสถาบันนี่นะจากรุ่นก่อตั้งที่เขามีอุดมการ์อย่างหนึ่งอ่นะพอมารุ่นรุ่นหลังรุ่นที่หลังเปลี่ยนไปเปลี่ยนคนที่ก่อตั้งนี่ไม่ผิดแน่นอนอบดุลบโรฮีไม่ผิดบรรดาอบดรลซุลที่เขานําคําสั่งสอนรุ่นแรกนี่เขาไม่ผิดผิดที่คนที่เปลี่ยนนี่แหละแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ย เรามีคําสั่งสอนสําคัญในอิสลามเนี่ยคือห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามอุตริกรรมเนี่ยที่จะปกป้องรักษาคําสั่งสอนให้มันไม่เอี่ยมเหมือนเดิมตามอุดมการณ์ของจิตเจตนารมณ์ผู้เทศนาผู้แรกคือท่านนาบีไม่อุตริกรรมไม่ทําสิ่งแปลกปลอมเราเราจะรักษาอิสลามของเราให้ไดเห็ น, นี้บอกท่านนาบีอิบราฮิม สร้างกาบาล้กาบานีมันอยู่ในดวงใจของอาหรับอาหรับนี่นะจะเป็นเผ่าอะไรก็ตามพอมาถึงช่วงฮัทเนี่ยชว ا ل ดูนกอเดดูนฮิญาเนีคนต้องมามากันหมดเลยอื่นจากอื่นจากพิ่สารฮัทเนี่ยอาหรับคนไหนชายหญิงทำบาปบาปใหญ่แล้วอยากจะขอลูกกระทษ้ต่ออ้นนี่ไปไปแก้ผ้าหน้ากาบาขอลูกะโทษ เรื่องแก่ผ้านี่ก็เป็นเรื่องเปลีป่ยนแปล ง, งเหมือนกันที่หลังไแก้ผ้าน้ากาบ้าแล้วขอลูกกระต๊อดแล้วแล้วเขาจะรู้สึกว่าเอเขาปลอดบาปมนต์ินหแล้วกาบ้ายังยังอยู่แต่ดูพิธีกรรมมันนะมันมัน บ, บิดเบือนไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วส่วนหนึ่งที่บิดเบือนไปด้วยนะก็คือเข้าใจว่าการดูแลกาบ้าเนี่ยดูแลมัสยิดฮารองเนี่ย ที่ท่านนาบีอิบราฮิมได้สร้างไว้เนี่ยก็คือใครมาทําพักเนี่ยให้เลี้ยงอาหารให้เลี้ยงน้ํา <c oughs> ให้บูรณะกาบ้านเนี่ยสร้างให้ดีให้สวยงามให้เอ่อเอาผ้ามาคลุมกาบะอย่างรูหราอย่างสวยงามดูแลคนดีเขามาประกอบศา ส, สนกิลปเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เขาอะอันนี้ อันนี้เนี่ยคือการบูรณะมสัสยิดเขาเข้าใจอย่างนั้นก็าไม่ไา้อะไรกับควาเข้าใจของมุสลิมในปัจจุบนันสร้างมสัสยิดนี่ยคือสร้างแล้วจัดจัดงานสร้างมสัสยิดเนี่ยสมุทรที่อยู่ต่างประเทศที่ อ, อเมริกาเนี่มาเลยนะสมุทรที่ไม่ได้อยู่อเมริกาเนมาเลยคุ้มไม่ได้งานสุราของคุณต้องมามาเลยนะ พอระดมทุนแล้วนู่หูสามสิบสี่สิบล้านนี่สร้างมัสยิดใหญ่โตอลังการเลยนะเสบุรุษที่มาเป็นพันนี่นะพออาจารย์สุบโบวันแรกเนี่ยมันละมาสองคนอี่ความเข้าใจเรื่องบุรณะมันก็มันก็ไม่ต่างบุรณะคือสร้างบุรณะนี่คือว่าถุกมัสยิดนี่ยต้องมีอาคารใหญ่โตต้องมีน้ําให้กินวันศุกร์นี่ต้องมีเลี้ยงต้องมีต้องมีข้าวบกต้องมีแกงมัสมัน่น เออมันมันมันมันถึงเทศกาลเนี่ยก็ต้องมีกวนสุโขมันมีเห็นไหมันไมมันมันมาอะไรมันคล้ายๆกันหมดเลยนะเรื่องอาหารการกินเนี่ยต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก็เหมือนการสุราห์งานมัสยิดเนี่ยอาหารต้องเต็มที่นะแล้วคนที่ไปใช <c oughs> ่ๆเขาใช่ๆเขาเมื่อไปตอมดาวน่เกียดคนที่ไปอยู่กับร้านอาหารเนี่ย แต่คนที่มาฟังบรรยายก็ต้องมีบรรยายนะคนในนี้ดีนะเร่บรรยายนุ่งต่ ก, กอนนุ่นนะามิหนังอินเดียนะงานสวกเรานีหนังอินเดียนะพวกเราไม่ทันกันหรอกหนังอินเดียเพลงมาเลย์นี่ท่นานไหมเพลงมาลายวนี่ต้องมีเลยนะทันนี้อ้อซ้นเลยแต่หนังอินเดียผมไม่ทันนะแต่มีผู้ใหญ่คนเล่าให้ฟังแต่มาลายวนี่ทันอนะันนี้ทันเองเลยไปบรรยายนะี่เจ เพลงมาลายูเพลงอาหรับไม่บาปเอาเพลงอาหรับไงเหมือนกูอ่านเพลงอาหรับจะบาปที่ไหนอ่ะแต่นี้เปลี่ยนแล้วแต่นี้เขาเชิญนักวิชาการนักวิชาการมาเนี่คนนั่งสามคนฟังแต่ร้านนี่นะโอ้โหนี่คนเป็นพันเป็นหมื่นเลยอ่ะก็เหมือนกันนเหมือนกันนะบุรณาเมสีนเนี่ยเน้นเรื่องวัตถุเน้นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวที่เราต้องการ อาหารวิญญาณละบุรณะมีศิษย์ดีกันละมานบุรณะมีศิย์ดีกันประกอบศัสนกิจในมศิษย์นะั้นะนะมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าแข่งขันกันจํานวนมศิษิดโอประเทศนี้มีมศิษย์หมื่นนี่สองหมืนี่เป็นแสนมศิษย์สร้างอย่างนี้รู้รามีทุกอย่าง <c oughs> มีอุลามาท่านนึงบอกว่าอยากรู้ไหมว่ามัสยิดเนี่ยได้ทําหน้าที่เหมือนสมัยท่านนบีสุลต์บอทหรือยังไงบ้างให้ละหมาสซูบโบนี่นะจํานวนคนมาละมาดซูบโบเนี่ยเหมือนจํานวนคนมัาละมาดยุมารนั่นเราจะเห็นว่าสังคมมุสลิมประสบความสำเร็จในการสร้าง ม, มัสยิดแต่ทุกวันนี้นี่มันไม่ใช่ไอนที่จริงในเรื่องละหมานี่มันแค่ส่วนหนึ่งนะ มันแค่ส่วนมัสยิดนบีเนี่ยไม่ได้มีไว้ละหมาดอย่างเดียวแต่ถ้าเรามาองเอาแล้วก็มีมัสยิดนี่บางที่เนี่ยมีละหมาดซูโบนี่มัสิดเต็มเลยนะเหมือนวันุกเลยจะขอให้หในในชุมชนในมูกเกมนั้นเน่ยมีแบง่งคมรอดอกอ่ะไม่มีใครไปมัสยิดแล้ยไปสารไทยหมดเลย <c oughs> มัสยิดเต็มหมดเลยนะครับแต่พอแบง่งมรอดอกแล้วก็มีที่ดินมีบ้านนี่ชั่ มีเงินมีทรัพย์นี่นะไม่ไปมัสยิดไม่แบ่งมารดกที่มัสยิดเป็นแบ่งมุไอสารกาเฟตตัสินสำเร็จไหมก็ยังไม่สําเร็จของมัสยิดของนบีนี่มีมีไว้ตัดสินด้วยอิสลามด้วยหลักการด้วยสามีภรรยาเวลาทะเลาะกันนะสามีกัละมาดภรรยากัละมาดคุยมีเร่องเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยซะซะซะถ้าว่อทะเลาะกันละทำอะไร ไปปรึกษาช่องทีวีนั่นไปปรึกษารายการอะไรก็ไม่รู้เลือกเธอในการพวกครอบครัวพวกอะไรในรการอันนี้มีมีประโยชน์อะไรล่ะคือเราเราเอาหลักการศาสนาบางส่วนมาประดับประดาประดับประดั บ, ดบชีวิตของเรานี่ให้ดูสง่างามอิจาวเราก็คุมละหมาเราก็ละมาดสกาดก็สกาด ผมรอ ก, กับไปด้วยนะฮะยุนิก็ไม่เว้นนะไปเหมือนกันนะแต่ไอเรื่องที่มันจะจำแนกเราเนี่ยเรื่องแก่นแท้ของอีหมานี่นะพอถึงบททดสอบเนี่ยเราไม่ผ่านเราไม่ผ่านที่มาพูดถึงเรื่องมัสยิดเนี่ยผมก็เลยบอกไม่ใช่ไม่ใช่ว่าบุระกาบะเพราะเรานี้เกิดขึ้นจริง ชาวกูร์รชเนี่ยโอ้เฮ้ยตําหน่งเราได้ไงโต้กับท่านนบีละซาบะโต้เราตําหน่งเราได้ไงเอาแต่เรื่องไม่ดีมาว่าเราเรื่องดีไม่ว่าอะไรเรื่องดีมีอะไรบ้างอะก็นี่ไงเราดูแลกาบ้างเราดูแลคนที่มาประกอบพักเราให้น้ําเราวิตน้ำซำๆมาอีกทีเราทําอาหารให้เขากินเราดูแลเขาอย่างดีเลยเนี่ยเรื่องดีทำไมเราบอกว่าปฏิเสธศรัทธาทั้งดีปฏิเสธอัลลอฮฺปฏิเสธ หลักการคุรอ่านของอัลลอ์นี่แล้วจะมาอ้างเรื่องบุรณะมัสยิดในเรื่องวัตถุนี่มันจะมีประโยชน์อะไรฮะบูรณะมัสยิดนี่มันวุฒิแบบนี้นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเรื่องความเข้าใจที่กุณอ่านจะมาทางนำเดี๋คุชอลเราจะยบยอดอายาหนี้คุณชอนน่าอธิบายละเอียดกว่านี้คุอติดหน้าเพราะเวลามันหมดเพียงแค่นี้นะครับบุษบงละฮะอัลลอฮสัมบิญะมุฮัมมัดวะฮัลิอุซาบิยัลสลัมซัลลัยิุมรมตุลลอฮ มีคำถามวัดท <st endroit ament> ี <thôi> nice ่เขามีตลาดนเ่เขาไปแยกนะคอันนี้ต้องแฝงที่สุดวัดเสริมมื่อสิบางทีเนี่ยเขาไม่จัดงานเพื่อวัดเพิ่มมื่สิบางทีเนี่ยก็จัดเพื่อชุมชนส่ยนต่วัดเองก็จัดเพื่อชุมชนถ้ามีนะ แต่เป็นงานเพื่อชุมชนไม่ได้เกี่ยวกับวัดแต่เจ้าภาพมัเป็นวก็เป็นเอเป็นทีไไน่ไม่ได้ังานเพื่อเข้าวัดแต่เขาจัดเพื่อเพื่อชุมชนกติของของวเขาก็ให้เช่าอันนี้เดได้ก็ไดแ้แต่ต้องเป็นตลาดต้องเป็นตลาดที่ไม่มีอะไรที่แบบว่าเลยถิดที่หลังการศ มามามา